วิธีอ้อนวอนขอความช่วยเหลือเช่นการเส้นสวงสังเวยบูชายันดังลูกอ้อนวอนขอต่อพ่อแม่บางทีเลยไปเป็นดังประจบและแม้ติดสินบนต่อผู้มีอำนาจเหนือ 2. วิธีบีบบังคับให้ทำตามความประสงค์ด้วยการบำเพ็ญพรธรทำตะบะดังลูกที่ตีอกชกหัวกัดถึงตนเอง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 ในการสอนที่เลิกวิธีปฏิบัติเหล่านี้พระพุทธศาสนาสามารถแสดงเหตุผลชี้ให้เห็นคุณโทษและวางวิธีปฏิบัติที่สมควรให้ใหม่ด้วย